เดือดดอกฟ้าแม้ใครจะมองสลิด ก, ก็ตามแต่เธอเนี่ยทำให้ฉันเกินห้ามใจเกิดความดันสูงและความตานทานมันต่ำข้างในเมื่อมีเธอเป็นจุดหม้ที่เฝ้ามองอยากจะมือเธอ เธอบาปไหมแล้วมันผิดไหมทำใจเธอหน่อยแล้วเธอฉันไม่กลัวว่าไงฉันมีสิทธิ์ไหมเธอเธอยังไม่พร้อม ก่ยอมมีเจ็บได้ชัวมันแอะเกินตัวถึงไม่เกินหัวใจเกิดความเดินสูงและความต้าทันต่ำข้างในเมื่อมีเธอเป็นจุดไหมาที่เฝ้ามองอยากจะมือเธอคุ้มไม่คุ้มก็ลองดู cause I'm crazy for you ยังที่มีพร้อมแตขก็ไม่ยอมรับ เธอแบบไม่แล้วมันผิดไหมทอมใจเธอน้อยแ รักเธอแบบไหม <Okay. S 1> แล้วมันผิดไหม oh, <no. S 1> ถามใจเธอหน่อยแล้วเธอฉันไม่